อย่างไรคนเราจึงจะมีอายุยืนอันนี้ก็เป็นคําถามนะในใจของหลายคนนะและบางคนอาจสงสัยว่าแล้วพุทธเจ้าเนี่ยมีคําตอบเรื่องนี้ไหมนะมีธรรมะหมวดหนึ่งนะชื่อว่าอายุวัฒนะธรรมคือธรรมเพื่อการมีอายุยืนนะพุทธเจ้ากระตัดนะองค์ประกอบหรือปัจจัยใน5ประการ 1- นในห้นี่ก็คือการมีศีล น, นะศีลนี่อย่างแน่น่าก็ศีลห หลายคนยสงสัยว่าเอสีนี่มันมีส่วนช่วยทำให้อายุยืนหรือนะที่จริงก็เห็นได้ไม่ยากนะเช่นสีงข้อที่ห้าเนี่ยถ้าเรารักษาไว้ไม่ละเมิดเนี่ยนะคือไม่กินเหล้าไม่เสพยาเนี่ยการที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจนเสียชีวิตหรือว่าพิการมันก็เกิดขึ้นได้ยาก หรือว่าเมื่อกิจไม่กินเหล้าก็ไม่เมามมยไม่ทะเลาะไม่มีการต่อยตีกันมันก็ทำให้มีอายุยืนถึงข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็เห็นได้ชัดนะข้อที่สมก็เหมือนกันไปฆ่าสัตว์ตดช่อหรือไปทำร้ายใครเนี่ยก็ถูกเขาตอบโต้กลับคืนตายได้ไปลักขโมยเ้าก็อาจจะถูกเขาทำร้าย หรือว่าไปผิดศีลนะกับลูกเมียงคนอื่นกอ็อาจจะถูกคนอื่นเข า, าแก้แค้นเอาถึงตายที่จริงแม้แต่ศีลข้อที่4นะการไม่โกหกเนี่ยก็ช่วยทำให้อายุยืนนะแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นการโกรหกใหญ่โตแบบเพศว่ า, าไปทำชั่วแล้วปิดบัง แม้แต่โกหกะ 6, เรื่องเล็กๆน้อ umm ยๆเนี่ยถ้าว่าเราไม่ทำเสร็จเลยเนี่ยเพราะว่ามันทำให้มีสุขภาพดีขึ้นนะแล้วก็ช่วยอายุยืนด้วยเมื mm ่อ hmm. ไม่นานมา น, นี้เขาก็มีการทดลองนะฝรัง่งเ็าทำนะทดลองกับเปรียบเทียบศึกษาเปรียบเทียบคนก็ประมาณสักร้อยสิบคนนะอายุตั้งแต่18ถึง70 แบบงเปกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยพยายามไม่โกหกนะตลอด10อาทิตย์นะไม่ว่าโกหกเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กนะแล้วเขามีการเช็คนะเช็คด้วยการเข้าเครื่องตรวจสอบเครื่องจับเท็จนะว่าไอ้ที่บอกว่าไม่โกหกตลอด10อาทิตย์นะี่จริงไหมนั่นมะันก็มีคนนะยอมนะแล้วก็พยายามทํา ผ่านสิบอาทิติเขาก็ไปตรวจดูสุขภาพเพราะว่าคนที่ไม่โกหกไม่ว่าเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กเนี่ยตลอดสิบอาทิติเนี่ยก็จะมีสุขภาพดีนะอย่าง น, น้อยๆเนี่ยเไม่ปวดหัวไม่เจ็บคอไม่มีความเครียดไม่มีความหดหู่สภาพจิตใจดีขึ้นก็เรียกว่าสุขภาพกายสุขภาพใจนี่ดีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่า พอไม่โกหกแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ารู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์และความสัมพันธ์กับคนอื่นก็ดีด้วยเพราะว่าคนอื่นที่เขารู้ว่าเราโกหกเขาก็ไม่อยากคบหรือว่าไม่ค่อยเชื่อคำพูดมันก็ทำให้เกิดระยะห่างความเหินห่างขึ้นแต่พอเขาไม่เนื้อเชื่อใจนะความสัมพันธ์ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนใกล้หรือคนไกลเพื่อนร่วมงาน คนรักคนในบ้านเนี่ยพราความสมัธดีขึ้นนะให้ความเครียดความวิตกกังวลมันก็น้อยลงไปด้วยเรื่องที่เราทราบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสุขภาพกายสุขภาพใจถ้ามันแย่แล้วเนี่ยมันก็บันทอนทําให้อายุเนี่ยสั้นลงนะเขาก็เลยสรุปว่าเนี่ยการไม่โกหกเนี่ยนะมันมีผลดีต่อสุขภาพจริงเรื่องนี้นี่ เราก็รู้กันมานานเลวนะโดยพราะชาวพุทธเนี่ยเราก็เชื่อว่าเนี่ยการรักษาศีลเนี่ยอย่างน้อศีลถ้าไม่ว่าศีลข้อใดก็ตามเนี่ยดูยแลแต่ทําให้สุขภาพจิตสุขภาพกายดีขึ้นอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าบุญนะบุญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดไม่ต้องรอชาติหน้านะมันประจักษ์ได้นะแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย สำหรับฝรั่งเนี่ยเขายังไม่เคยเชื่อนะเขาก็ต้องพิสูจน์มีการทดลองว่ามันให้ผลดีจริงหรือเปล่านะก็ต้องมีการวัดมีหลักฐานยืนยันเป็นรูปธรรมเป็นตัวเลขเนก็เลยทําการทดลองมาชื่อว่าและจริงเมื่อเร็วๆนี้มันก็มีการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งนะเพิ่งประกาศผลเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ เขาศึกษาเรื่องผลของความโลภนะผลของความโลภเนี่ยทํากับคนสองพันคนก็ศึกษ า, าเนี่ยคนที่มีความโลภเนี่ยจะมีความแตกต่างในแง่ของชีวิตเนี่ยมากเพียงใดเมื่อเทียบกับคนที่เขาโลภน้อยนะไม่โลภคงไม่มีนะแต่ว่าโลภน้อยก็เพราะว่าคนที่มีความโลภมากเนี่ยยิ่งรวยมากนะอันนี้อันนี้ไม่แปลงนะ พอยิ่งโลภเนี่ยมันก็ยิ่งหาโอกาสที่จะเอาเข้าตัวมากยิ่งโลภก็ยิ่งรวยหรือไปอีกอย่างคือยิ่งรวยก็ยิ่งโลภข้อสองเนี่ยนะก็เพราะว่าคนที่ยิ่งโลภเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่อยากมีความสัมพันธ์กับผู้คนการครบค้าสมาคมกับใครนี่ก็จะประเดียบประดาวไม่นาน อ, อันนี้ก็อธิบายกันได้นะต่างๆนา น, น า, นาเช่นว่าเนี่ย คนโลกก็มีขยากคบหรือว่าคนโลบเนี่ยเขาก็คบกับคนเพียงแค่ว่าได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากเขามากแค่ไหนถ้าไม่ได้ประโยชน์ฉันก็ไม่คบเพราะนั้นก็เลยคบได้ไม่นานนะและ 3. เนี่ยยิ่งรอบเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมีคู่นอนเยอะนะอันนี้ก็ธรรมดาอยู่แล้วนะโลภะ ก, กับราคะนี่มันมันไปด้วยกันโดยเพราะถ้าคิดจะตักตวง ประโยชน์จากผู้อื่นเนี่ยมันก็ง่ายที่จะมีคู่นอนเยอะเพราะว่าพอคบไปนานๆมันเบื่อนะถ้าหากเน้นแต่ความสุขทางกายเนี่ยมันเบื่อง่ายเพรา ะ, ะนั้นเนี่ยถ้าต้องการความสุขทางกายเยอะๆก็ต้องไปหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆ ม, มันก็เลยมีคู่นอนเยอะนะแล้วข้อสมัยข้อที่สีนะียยิ่งโลภมากเนี่ยก็ยิ่งมีความสุขน้อยลงนะ ยิ่งมีความโลภเยอะก็ยิ่งมีความสุขน้อยลงนะสุขนี่ก็คือความพอใจในชีวิตนะเป็นต้นซึ่งก็อาจจะหมายความว่าถ้าเรามองว่ายิ่งโลภก็ยิ่งรวยแต่ขณะเดียวกันยิ่งโลภก็ยิ่งมีความสุขน้อยลงเนี่ยก็แปลว่ายิ่งรวยก็มีความสุขน้อยลงไปด้วยนะอันนี้เ็าถามเนี่ยเลาก็ถามว่าใครโลภมีความโลภมากหรือน้อยเนี่ยเาก็ไม่ได้ถามตรงๆนะว่าคุณโลภมากหรือโลภน้อย แต่เขาถามว่าคุณเห็นด้วยกับข้อความนี้ไหมเช่นถ้ามียิง่งมีเท่าไหร่ฉันก็ยังไม่พอใจหรือมีเท่าไหร่ฉันก็อยากได้อีกเนี่ยคําถามทํานองนี้มันก็บ่งบอกนะว่ามีความโลภมากน้อยเพียงใดอันนี้มันก็น่าสนใจนะซึ่งถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าเขาศึกษาไปถึงขั้นว่าเนี่ยยิ่งมีความโลภมากสุขภาพยิ่งแย่ยิ่งเจ็บยิ่งป่วยมากเนี่ยเอออันนี้มันก็ก็จะสอดคล้องกับ การศึกษาที่พูดมาสักครูณาว่ายิ่งโกหกถ้าไม่โกหกเลยเนี่ยก็จะมีสุขภาพดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆเราก็รู้กันมานานแล้วนะแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานยืนยันเป็นรู ป, ปรธรรมเป็นตัวเลขฝรั่งนี่เขาไม่ค่อยเชื่ออะไร ง, ง่ายๆนะก็ต้องมีตัวเลขมายืนยันในรูปของสถิตินะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าใครที่อยากมีความสุขนะก็ต้องเห็นความสําคัญของการ โลภัยน้อยลงแล้วก็ถือมีสีนให้มากขึ้น